เดือนใจให้อยู่กันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขไป ม, มาสายกว่าปกติถ้าเป็นวัดวันพระใหญ่ก็มักจะสายเพราะมีกิจอย่างที่ว่านี้ถ้าเป็นวันพระเล็กก็จะไม่มีจะไม่ได้ลงปฏิโมกชันเสร็จตอนเช้า 11โมงก็11โมงก็จะขึ้นมาได้11โมงกว่าหรืออย่างช้าก็เที่ยงแต่วันนี้กว่าจะขึ้นมาได้ก็สองโมงกว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปตามวาระอามเหตุการณ์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 ดีกว่านี้มากกว่านี้สบายกว่านี้สุขกว่านี้จนต่อไปไม่ต้องทําอะไรจะมีทุกอย่างมารับใช้มีหุ่นยนต์มีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่งางๆตัวเองเลยกลายเป็นคนง้อยใส่เป็นเหมือนคนพิการไปเวลาเครื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือชำรุด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 รักสมบัติเข้าของเงินทองมีอันเป็นไปมีอันหมดไปก็ไม่เดือดร้อนใ จ, ม, จมีจุดอยุดจุดหนึ่นที่สามารถที่จะยืนได้อย่างไม่สะทกสะทา้านไม่ไหวั่นไหวยืนอย่างมีความสุขยืนอย่างสาบายพระพุะธเจ้าและพระสาวกอรหันตสาวกได้พบจุดยืนนั้นแล้ว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 ยืนก็ยืนไม่มั่นจะไม่มั่นคงเผลอเธอดีไม่ดีก็ล้มลงตกน้ําลงไปได้เรายืนอยู่บนร่างกายที่ไม่ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเรายืนอยู่บนลาบยศรเสรนสนุกทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่มั่นคงมีการ เปลี่ยนไปเดี๋ยวว่าขยับไปทางซ้ายเดี๋ยวว่าขยับไปทางขวาเหมือนกับเรือเล็กๆที่เราเยนอยู่ในน้ำน่ะมันก็จะมีแต่ทําให้เราล้มอยู่เรื่อยๆแล้าเพื่งลาบยสศ เ, เสรินเพื่งตาหูจมูกมิ้งกายเพื่งรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ทําให้เรามีขยับอ่ล้มไปล้มมา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 ถ้าเขาไปยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงเหมือนยืนอยู่บนแผนดินับต่าง ก, กันกับเหมือนเวลาเดินยืนอยู่บนเรือที่โคงไปโคงมาเวลายืนอยู่บนเรือที่โคลงไปโคงมานี้มันก็จะทำให้เราล้มอยู่เรื่อยๆแต่เวลาเรายืนอยู่บนดินที่ไม่มีไม่โคงไปโคงมาเราก็จะยืยนได้โดยที่ไม่ล้มลงไป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 สิ่งที่มันไม่เป็นปึกแผ่นไม่แน่นหนาะมัน่นคงเหมือนกับแผ่นดินไปยืนอยู่บนเรือที่โคลงไปโคลงมามันก็เลยต้องล้มไปอยู่เรื่อยๆโคลงไปทางซ้ายก็ล้มไปทีโคลงมาทางขวาก็ล้มทีล้มอยู่ไปเรื่อยๆถ้าตาบด้ไม่ออกจากเรือแล้ไปยืนอยู่บนอยู่บนแผ่นดิน มันก็จะต้องล้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจของพวกเราก็อย่างนี้ถ้ายัางยืนอยู่บนลาบยศสรรเสรวนอยู่บนลูกเสียงเก่งรสโผทาพะขนมนมเนยกาเฟงกาเฟะพวกนี้เนะี่ยมันมันทำให้เราต้องทุกข์เวลาไม่ได้กินมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ฟังมัน เวลากินเวลาได้กินได้ดูมันก็สุขแต่มันจะได้กินได้ดูได้ฟังไปตลอดเรือไม่มันต้องมีวันหนึ่งแหละที่จะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้ฟังพรตอนนั้นแหละมันถึงจะรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรถ้าไม่เชื่อลองหยุดกินดูสักวันอย่างหยุดกินหยุดดื่มของที่ไม่จําเป็นต้องกินไม่ไม่ต้องจําเป็นต้องดื่ม อย่างวันนี้วันพระเอาเลยมื้อเย็นนี่ไม่ต้องเอามป็นหนึ่งวันหนึ่งมื้ดูสิว่ามันทุกข์หรือมันสุขกันแนะ่เคยกินเคยได้ความสุขจากมันทุกวันตอนเย็นถึงเวลาก็ได้กินวันนี้พุระเจ้าบอกว่ามาเปลี่ยนที่ยืนกันสักวันหนึ่งมายืนบนที่บนแผ่นดินอย่าไปยืนบนรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะมายืนที่ความสงบกัน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 แต่ไม่นอนบนโซฟ์หนาๆดูซิว่ามันทุกข์ไม่ทุกข์นั่นแหละเวลาไม่ได้เสบรู้รเสียงกลิ่นลดพวดสะพมันก็เหมือนกับคนไม่ได้เสพยาเสพติดดีๆนี่ของทุกอย่างที่เราเสพอยู่เนี่ยมันเป็นยาเสพติดแต่เราไม่เรียกมันว่ายาเสพติดเพราะว่าทุกคนเสพกันก็เลยเรียกมันไม่ได้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 ก็ไม่เรียกว่ายาเสติดชาก็ไม่เรียกว่ายาเสพติดเครื่องเดินชนิดต่างๆมันก็เป็นยาเสพติดเหมือนกันแต่ความรุนแรงมันอาจจะไม่เท่ากับยาเสพติดงั้นถ้าอยากจะไม่ต้องมาย้มไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆก็อย่าไปอาศัยสิ่งต่างๆ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 ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสียไปหมดไปก็ต้องหามาใหม่ร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็ลําบากหาความสุดไม่ได้ตาไม่ดีก็ดูอะไรไม่ได้หูไม่ดีก็ฟังอะไรไม่ได้เลี้ยวแรงไม่มีก็ทําอะไรไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําอะไรไม่ได้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 มนุษย์ให้ปล่อยวางของพวกนี้มันยากแสนยากในเรื่องตอนนี้ทรงตัดถึงพระไทยไม่อยากจะสอนเพราะสอนอยังไงมันก็ไม่ฟังไม่เชื่อกันสอนให้เลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระก็ไม่เอาไกลับจะหาว่าคนสอนบ้ามีแต่คนก็เสพกันมีแต่คนก็หาความสุดจากรูปเสียงกลิ่นรสกัน หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญกันหาความสุขทางร่างกายกันแต่นี่เราบอกว่าไม่ให้หาเ้าไปหาความสุขที่ไหนความสุขจากการนั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธก็ไม่เห็นมันจะสุขนั่งนั่งไปแล้วพุโทโธไปแล้วก็ไม่เห็นมันจะสุขก็เลยมันกลับจะมีความทุกข์มากไปพี่นี่ยเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าในเบื้องต้น ทรงท้อพระไทยไม่สามารถไม่อยากจะสอนใครพ่อมองไปเห็นพวกที่ติดกับลูกเสียงกิน่นรสลึมไปว่ามีคนบางคนบางกลุ่มที่เขาไม่เสนลูกเสียงกิน่นรสก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชที่เส่กุ้ยแว่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 ใจให้ออกจากจุดที่สุขที่สบายนี้คือความสงบนี้ต้องสอนว่าความอย่างนี้เป็นตัวที่จะหนึ่งไปออกไปหาความทุกข์ไม่ใช่ออกไปหาความสุขให้ยืนอยู่บนจุดของความสงบนี้เพียงจุดเดียวเริ่มต้นก็ต้องหาจุดนี้ให้เจอก่อนเมื่อเจอจุดนี้แล้วก็ รักษาไว้อย่าให้ความอยากมาฉุดลากออกไปหาความสุขในรูปแบบอื่นเพราะออกไปแล้วมันจะเสียสูงมันเหนื่อยกับยืนอยู่บนบกแล้วดันลงลงไปยืนอยู่บนเรือเล็กๆที่โคลงไปทงมายืนอยู่ตรงไหนจะสบายกว่ากันยืนอยู่บนบกหรือยืนอยู่บนเรือ เ, เล็กเรือพายเล็กๆ ต่ากันฉะนันใดธาตใจของพวกเรายังต้องยืนอยู่บนราบยศสารเสริ่ยืนอยู่บนความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายอยู่ใจของเราก็จะต้องล้มไปล้มมาอยู่เรื่อยเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนเรือที่โคลงไปคลงมาถ้าไม่มีอะไรจับเดี๋ยวก็ล้มตกน้ำลงไป <c oughs> ดังนั้น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 อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นด้เวลาแปลงฟันก็แล้วท่องไปในใจก็ได้วแปงแปรงแปรงแปลงฟันแปลงฟันแปรงฟันแปรงฟันเพื่อที่จะหยุดจะให้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาแปรงฟันก็บอกแปรงฟันแปลงฟันแปงฟันเวลาร้างหน้าก็ร้างหน้าร้างหน้าร้างหน้าเวลากินก็กินกินกินปากเข้าบากเคี้ยวเคี้วเคี้ยวกืนเกืนกืน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 มีความแรงมากกว่ามันเดี๋ยวมันก็อ่อนแรงมันก็แพ้เเองเวลาสู้กันเน่ะเวลานั้นเครียดเขาก็ดึงความอยากก็ดึงให้ออกจากความสงบสติก็พยายามดึงหรือปัญญาก็พยายามดึงให้มันอยู่กับความนิ่งอ น, นี้ต้องทดลองพลังกันกําลังกันฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็เอาใจไปถ้า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 เปนใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ไม่ว่าท่านทำอะไรท่านไม่ได้ทำด้วยความอยากท่านทำด้วยเหตุผลเช่นถึงเวลาดื่มน้ำก็ดื่มมันร่างกายมันหิวน้ำก็ต้องให้น้ำมันไม่ได้อยากดื่มน้ำก็น้ำปากจริงๆไม่ใช่พอร่างกายอยากน้ำก็เลยเอากาแฟแถมแถมไปด้วยอ้นนี่มันก็มาแล้วอยากกาแฟออกมาแล้ว ถ้าออกมานี่เดี๋ยวมันก็ออกจากจุดของความไม่สงบ้าเดี๋ยวก็ต้องทุกข์าะเดี๋ยวเวลาไม่มีกาแฟดื่มก็จะทุกขนะ <c oughs> ์้วนี่คือเรื่องที่พวกเราไม่ค่อยรู้กันถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาไม่ได้มาเจอพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบกับพระอรหันตาา์าภู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 มองไปถึงเวลาที่หาไม่ได้แล้วเป็นยังไงหรือหาได้มาแล้วหายไปสูญไปหมดไปเป็นยังไงไม่เห็นอ น, นิจจงไม่เห็นอ น, นัตตาเห็นว่าถ้าได้อะไรมาแล้วจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดให้ความสุดกับเราไปตลอดพอมันไม่ให้ทีนี้ก็วุ่นวายใจ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 ไปยืนอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมบังคับ ไ, ได้ให้ไปยืน อ, อยู่ที่จุดที่เที่ยงแท้แน่นอนและเราควบคุมบังคับได้นั่นเกิดสมาธิหรือความสงบของใจนี่ก็ไปยืนอยู่ในจุดนั้นแล้วพอมันจะออกจากจุดนั้นก็ใช้ปัญญาละลับมันสอนเหมืนว่าอย่าออกออกไปแล้วมันจะทุกข์มันไม่สุขหรกสุขเดียวเดียวสุขการไปใหม่ๆ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 ทุกคนมันต้องตกเวลาเห็นคนเขาสูญเสียคู่รักเขาเราจะไม่สูญเสียร่างหรือยังไงคิดให้ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ถาวร น, นะทั้งวันหนึ่งจะต้องหมดนะจะหมดอย่างไรหมดอย่างไม่วุ่นวายใจหรืหมดอย่างวุ่นวายใจถ้าจะไม่วุ่นวายใจก็ต้องกลับไปยืนอยู่ในจุด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 ขอขอหยุดติคไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาไรวาหาภูราปาปริภุเรนติสากาลังเอวะเมวะอิโตจินานางเกตานงาอุ ป, ปัสสปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังพิปมเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถาเมณิโชติระโสยถาสภิติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวทวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสิลิสาณิจังวุฒาปจายิโน ถ่ายอยากจะถามอะไรหรเปล่าอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปไปทำอะไรรูปบันดับความทุกข์ไม่ได้นะเวลามีความทุกข์มองเห็นหน้าเราบรนดับไม่ได้นะ <laughs> I've been reading your book, okay, and um, raising my mind just a few questions. Questions, really. Okay. You. you say that you know to be to be g a i n enlightenment, you have to, you know, more or less, you know, be what you are. It's more o h being in a temple in the b o o k t a n and things like that. And then I start to think a little bit more, you know. Maybe I might be wrong, I might not be. I don't know because I don't know. That's why I'm asking you. <laughs> maybe I'll never ever in this life become enlightened, and maybe I won't become enlightened because of my karma from my my last life. You see. Now, such as yourself, if you've got all this good karma, and you've got where we are, we are uh, obviously, you know.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 a n t o n o y one way to do it to study the the teaching of the Buddha, That's uh, well, which I do keep, anyway. You keep know. studying, especially from those who are enlightened. Mm. Because, o well, yeah, you know? a t do. y a e to do. h e to y o h y o e t a t You h a o do. y u e to h a t y have o u a t do. h t do. You h a to do. u e t do. y t do. y o e t y t You e o u t You to u a t u t o u t d u h a to u e t u e t o t o t Is it from my past lives that's got me into, you know, this situation? No, you just got to, you just have somehow have to see that by following the Buddha's teaching will, will, will, will bring enlightenment to you. Mm -hmm. Somehow, similar. if if you can can cannot see that point, then you will still be doubtful. You will under, you will underestimate your ability. Yeah, I'm not doubtful. Anyway, I am. I w a e doubtful, you know. But I thought the only way I can I can really get that answer is off somebody like you, you know. Yes. Yeah. So I can go on again, and and mm -hmm. I, I won't be d o u b t I will mm -hmm. not doubt again. You see? What What is it that I have that you don't have? Mm -hmm. We have the same thing. You well, have. Well, it's n t Well, it's it's the it's the mind, isn't it? It's not you, me and you. We have the same, you see. But it's that it's that mind and and What the, and What you lack is I can tell you what you lack.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 You don't need the strength to drive your body to move no. around. No, that's g o t right. So no matter how old you are, you can meditate. No, you meditating. can become enlightened. Mm -hmm. It's just that you are so used to your your your ha habits of doing other things, and for you to find t to giving those habits are difficult. That's all. The meditations, i s no no problem at all. It's all f a m i l i d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 w h e r e your options, w h e r e your actions. Doing this, this is what I get. Doing this is what I get. Mm -hmm. Which is better, meditating or going taking photograph or pictures or going to movie? go l meditation, yeah. Yeah, okay. Then if you know that, then give up those thing and mm -hmm. do meditation. See, That's fine, yes. it's all. It's a matter of simple logic. Knowing what you do give you what.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 ท่นคะนเขาไปบอกมาบอกว่าทำไมไม่เอาไล่เื่อเอาเงินยกให้คนอื่นให้หมดเลต้องทาตัวอย่างก่อนสิ ไ, ไปบอกคนอื่นคนทาไมาตัวเองไม่ทำแล้วไปบอกคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสอนเขาะนะแต่มันผิดนะคก็ผิดสิแม่ปูสอนลูกปูไงสอนให้ลูกปูโดนตรงๆแต่โดนแม่กระเดินเฉีไฟเฉมา Just <laughs> like do you it alone. You're not not sure. not. I'm not interested in anybody else. s o m e o y can s a no b o u t the next door, but they don't understand. The What? They don't k n o next door. Oh they don't understand. Okay, now you have to e n r n yourself first. Okay, do I answer your question? Not More or less. Yeah, more more or less. Okay. Yeah, I d a bit more. Anything more? a h e n o p l e on l e like to read. e y e any way. Same t i n Every e e v l e l i k e to read. o t h e r n t like to a d t h l i to r e d long w o r e y like to read. Ah. They like to read. Ah. They to read. They like to a They like to ว e a d Ah. They like to read. Ah. t h k e o r a d a t h i k e to y o d e t d t h t t h e r e e l a a e r a t h e r a i o e r y i r e e e a t o t h e e o e i e r t h a a t h t a y e h e k, <k, <k��, <k, <k o ท o ่ผมยินดี n น h ป็นเด็กบุรุษอินเดียท e อปบิฮ t h ออร์ตเชลตีนอเมริกันอยู่อเมริก e ออฟยุโรเปนะ้พ่หลานนะคะ t อต t e โรเปีย all human being s a r e s t a n d i s a <c> o <oughs> human nature <c oughs> they like to criticize other people but they don't like to criticize themselves <Okay. S 1> if o e all criticize ourselves we w u l d all be better off okay know. okay ดีหลา h เขาพี่เข้าาสนใจ อ่ามีหนังสืออ่านมีหนังสือเล่มเล็กๆอ่านง่ายๆนี่นี่เนียนทีเหลียนี่เป็นหนังสือแบบธรรมะสั้นๆอ๋อค่ะทุกดีดีทุกเล่มแต่มันมีเอาไปทุกเล่มถ้าอยากจะศึกษาก็เอาไปทุกเล่มมันมี เหมือนแกงเผ็ดบ้างแกงขีดบ้างขนมบ้างเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีแต่แกงเผ็ดอย่างเดียวถ้าเหมืเข้าเลยมาแนะนําให้ทําขมุนทำขนมบ้างต้องศึกษานะถ้าไม่ศึกษาก็ยังจะไม่เข้าใจซอไก่ซอไก่อ๋อจบข้าวมักุฎเดโมงสิบสองเนี่วันนี้ทํางานเนี่ยหายหน้าเป็นอน ไม่ต้องแล้นี่ต้องแจกะไม่ได้ช้เขาจะพยายามมาให้ได้ทุกเดือนใช่พวกเรามันถูกกิเลสหลอกอ้างนูน่นอ้างนี่กันออ้างว่าไม่มีบารมีมากไม่ได้ทําบุญมามากอ้างอย่างนี้มันก็จบปสิมันก็ไม่ต้องไปเพราะมันกลัวมันเหมือนกับเวลาจะไปโรงพยาบาลนี่โอ้ยต้องหาเรื่องอ้างนูน่นอ้างนี่ จนในที่สุดมันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันถึงจะไปใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมันทนไม่ไหวแล้วมันพอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมันถึงจะเข้าวัดกันถ้ายังไปเมืองนอกเ <c oughs> มือง น, นาได้อยังไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้ก็ผัดไว้ก่อน <c oughs> วัดเอาไว้ที่หลังก่อนพอกระทั <c oughs> ่งมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันถึงจะต้องไปวัดแล้วเนี่ <c oughs> ตอนนั้นก็ไปก็ไม่รู้จะทันหรือไม่ทันแล้วล่ะ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 อนี้ก็สมมติว่าเราแก่แล้วเราเจ็บแล้วเราเราจะตายแล้วตอนนี้เอราคิดอย่างนี้มันต้องมาแน่ๆนะแก่เจ็บตายเนี่ยมันมันไม่ผัดมันไม่มันไม่มันไม่ดอกลวงเราละมันมันไม่เป็นปอนมันสัญญาอะไรมันจะมาหาเรามันมาแน่ๆื่อมันจะมาเราทําไมไม่ให้มันมาแค่แต่วันนี้เฉยได้หมดเรื่องหมดเราไปยอมเป็นคนแก่แค่แต่วันนี้ เลิกเที่ยวสักทีเลิกหาความสุขทางร่างกายสักีมาถือศีลแปดมาปฏิบัติทำมันไม่ดีกว่า <Okay. S 1> ตอนนี้ทำง่ายสะดวกสบายจะเดินจะลุกจะนั่งจะทำอะไร <Okay. S 1> ก็ไม่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไว้รอให้มันเจ็บเจ็บกว่าปวดตรงนั้นเจ็บ <Yeah. S 1> ตรงนี้จะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ไหวแล้วพ mm hmm. ระเจ้ึงสอนให้เราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ให้มันคิดว่ามันจะต้องมานี่แน่ งันเราอยากให้มันมาตอนนั้นให้มันมาตอนนี้เลยทําตอนนี้ทาก่อนที่มันจะมาเวลามันมาแล้วมันจะเป็นอุปสรรคเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอมาอยู่วัดได้สองวันก็ออกไปหาหมอองก็ตัวเองก็อดอาหารเย็นไม่ได้หมอให้กินยากินยาก็ต้องกินข้าวเย็นก่อนไม่กินอ อ, อมันก็ไปหมดแหะยมบทวันใช่ไหมคะแสงออกจากยา คือสะพานผานสานสะพานนี่มันไม่ดีมานานละจริงนก็ไม่สบายก็ยังไงก็ต้องมาแล้วก็อยู่ไม่ไออกก็ฝากให้ซื้อยาะเออมดีต้องมีสัจจะต้องมีสัจจะที่ฐานแล้วต้องมีสัจจะตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องต้องทำให้ได้อย่าปิ้นกลอนอย่าหลอกตัวเอง เวลาตั้งโอ้ตั้งใจนี่ดีปีนี้จะทํายุ่น <c oughs> ทนํานี่วันขึ้นปีใหม่นี่ต่อไันนี้จะเริ่ม น, นู่นเรื่มนี่เนีพอสองวันก็เลิกไม่หมดและ <c oughs> ตั้งใจไว้สิบอย่างรูจะได้สักสองอย่างสาบางครั้งเออเออนั่นถ้าไม่มั่นใจไม่มีสัจจะอย่าไปตั้งมันดีกว่า <c oughs> ถ้าตั้งแล้วก็ต้องทําให้ได้เอาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องหลายอย่างขอให้มันได้สักอย่างดีกว่าตั้งสิบอย่างแล้วไม่ได้สักอย่าง ันหลอกตั้งให้โกโก้ให้รู้สึกสบาย <c oughs> อีไรไคุณหมออาจารย์หมอ ต, อ, ต, อ, ต, อ, ตอนนี้ก็มีสติเร็วขึ้นระยะเวลากิเลอนาขึ้นกาทั้ น, มนไม่ทันหรอกหลอกแล้ลต้องตลาดยีบสิงบโมงเลยไม่ถึงบ้านแรงๆ้อง๋อด้วยแรงๆ <c oughs> ให้ตัวไม่แรงตัวละเอียดนี่ยังหลุดอยู่ตลอดแล้วก็ปฏิบัติที่บ้าน สามีก็ตัดทิ้งไปเลยนี่ก็กิเลสตัวนึงนอมองไม่เห็ น, นเลยพอเป็นสามีแล้วไม่เป็นกิลเลสไปเลยก็กิเลสเนี่ยทาให้เรามีสามีไม่ใช่นนหร อ, อใจเด็ดน ะ, ะเขาศึกษาเลยกิเลสจริงๆมันมีอะไรบ้างมันรอบตัวเราตลอดเวลารับตัวเราอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่แล้วเราไปบอกว่ารู้ทันกิเลสนะเรฟังแล้วมันคํา ถ้ารู้ทางกิเลสมันก็ต้องมาโกลนหัวนองขาวหงษ์ขาวอย่างนี้แล้วแหละมึงจะอะไรกับกูกูตัดมึงหมดเลยใช <laughs> ่นะ่ะถึงก็รู้ทันจริงไง <laughs> วันแรกนะที่ไปเก่ามุตตะบัว <laughs> ก็คุยกับพี่เพ็นสวัสด์ใกล้ๆอย่างเงี้ยบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีกิเลสนะ <laughs> แต่ละ <laughs> ท่านเหมือนตาอยู่ใยมันสมควรนะโอ๊ย พอแล้วนี่มันโง่นะซึ่งกิเกล็ดมาโจงลากถึงไหนแล้วไม่บอกว่าไม่มี ก, กเลกเลอืหนุกถดุ้งเลยหมอถ้ดุ้งเกือดเลยนั่นแหละน่ากลัวนะครับไหนคนเอามาบวชยังยังมีกเก ล, แล็แล้วแล้วคนไม่บวชนี่มันจะไม่มีกเล็ดได้ยังไงออกตัวเองพวกที่ปฏิบัติบอกไม่ต้องบวชก็ได้บรรลุได้ ส่วนใหญ่คนที้เขาบรรลแล้วเขาบวชกันทั้งนั้นน่ในสมัยพุทธกาลไปอ่านประวัติของแต่ละคนดูเลยฟันเป็นค า, าวา่าพอฟังเทศฟังธรรมพอบรออบรลุปักก็ขอพระพุทธเจ้าบวชทั้งนั้นไอพวกบรรลุแล้วไม่บวชนี่มันบรูไม่รู้มันบรรลุแบบไหนกันบรรูุแบบกิเลสมั้งฟัคนมันนันทสูตรนะฮะัชัดเจนในนันลว่าต้องออกมาแล้ว นี่ไม่ได้ไม่ได้บอกใออกมาหรอเพียงแต่เพียงแต่เพียงแต่ว่าหมอไม่มีรู้ทันก่เลนแล้วก็เลยอดที่จะอดที่จะแย้งไม่ได้รู้ทันมากกว่าคาวที่แล้วที่มากรัา้ององาไม่ได้ดูในห้องหมอ่าไม่ถือว่าเทียบเทียบครั้งตับครั้งอ๋อใช่ไหใช่ล้วอย่างรู้รู้ทันแล้วแล้วูันในแง่ที่อยุดมันได้เปล่าเลิกมันได้เปล่าก็คือรู้ทันในแง่แง่ที่ว่าเราเราไม่ตอบโต้แล้วเราเห็นละเราต้อง อย่างวันนั้นเน่ยจะจะออกมาทําบุญนั่นแหละเสร็จแล้สานีก็ส่งเสียงไม่พอใจแล้วเราก็หยุดฟังอะนะฮะ hmm. ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะต้องโต้กลับไปละ hmm. แต่ว่านั่นนาที hmm. นั้นเนีเน่ย hmm. ก็ทันนะค่ะทันเห็นจิตที่แกล้งแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้เขาคงงงเหมือนกันดกวน hmm. แต่ก็เฉย hmm. ๆไม่ได้ว่าอะไรก็ hmm. จะไปก็จะไปอ่ะอ hmm. แต่ก็ไม่ได้แสดงโกรธตอบอนะไรหรอกถ้า hmm. จะเป็นเมื่อก่อนก็คงจะ ส่งเสียงไม่ดีกลับไปด้วยคิดว่าเขาก็คงต้องดูเราว่าเราบอกว่าเรามากับครูบาอาจารย์แล้วเรากลับไปแล้วเราคุมตัวเองได้ไหมมากกว่าที่จะไปรุนหวาชาวบ้านเขาก็มองตัวเองเจ้านี่ก็เป็นช่องโหว่ให้เขาว่าเราไหนบอกปฏิบัติธรรมนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ก็เลยรู้สึกในตรงเนี้ค่ะว่าไม่ไม่เป็นลูกลานใครแล้วก็คนไทยเด็ค่ะสามีคนไทยอ๋อคนไทยคนไทย เขาก็เป enfin ็นคนดีอค่ะแต่ว่าเพียงแต่เขายังไม่เห็นทุกของการเยียมบ้าใต้เกิดแต่ตั้งกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์กค่ะเพราะว่าหล้งแา่ตั้งแต่มากราบเนี่ยก็ก็เห็นว่าได้ได้ข้อสัตบารแล้วก็มาหาครูบาอาจารย์เป็นระยะเท่าไ่เมันมาส่งกันบ้านในความรู้สอะไรก็ค่ะ การบ้านของเราเวลาเราดูลูกศิมันสงการบ้านเราดูที่ไหนหรูปะเราดูที่ทรงผมผมมันสั้นงหรเปไม่มีผมเลยยิยย่งบ <c oughs> านยังไม่ถึงับอกเราดูการบ้านตรงนั้นเหรอแล้วี่ีต้องปฏิบัติมี มีบนนี้ก็มีของพระคือ <c ười> บนนี้ก็เป็นของที่อยู่ของพระของคารวะก็ต้องไปหาที่อยู่ เ, เองหรือมีบ้านของป๋าม้เท้าให้อยู่ได้คือพี่ปกบ้า<ด>แต่ก็ต้องไปปฏิบัติเองไม่มีใครมา ต, ต้องเก็บต้องเก็ต้องอินดิพเดน์ะเหมือนกัเรียนออนไลน์คนเดียวคือไปปฏิบัติแล้วอาศัยสถานที่ปฏิบททัติทาเรา เขามีที่ที่มันสงบไม่วุ่นวายไม่มีอะไรมาอ้าสร้างความกระทบกับจิตใจแต่เราต้องเป็นตัวผู้ที่จะปฏิบัติดึงใจให้เข้าไปสู่จุดของความสงบให้ได้เป้าหมาย ก, การออกมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่คนเดียวนี่ก็เพื่อจะดึงใจให้เข้าสู่อจุดที่มันสงบที่สุดถ้ามันเข้าจุดนั้นแล้วมันสบาย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 พยายามตัดมันเรายังยืด อ, อยู่กับการหาราบยกสารเตยก็ต้องตัดมันยังยืน อ, อยู่บนความสวยพังงานของร่างกายก็ต้องตัดมันไหวเปนหัวโล้นแต่ละเหนื่อยนะสบายจะตายเลยอน้ําก็ไม่ต้องหวีเผ้าหวีผมไม่ต้องสระไม่ต้องเช็ด แต่ไม่สวยามันสวยที่ไหนคนเราสวยที่ไหนจริงๆ ม, มันสวยที่กายและสวยที่ใจหน้าตาสวยแต่ไม่มีศีลธรรมนี่มันสวยไหมมองจ o กม n มของชา p ต่างชาติชาวไทยคน i n ้โ o คดีม o look you only need to look, look at Pattaya itself <c oughs> in Pattaya There's more temples in Pattaya and more places to go for advice. Right? You no, know, there is in all of England, and that's just in Pattaya. I think in England there may be maybe ten or fifteen temples. You know, mm -hmm. and that's all, all of England. Uh, in Pattaya, I don't know, maybe, but there's certainly more than ten. Mm -hmm. And uh, so Thai people are very, very rich. Well, lots, lots of Thai people.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 you know that's why that's why you, you get a lot of Europeans. You know, they get, they get very angry and drink i n g and s m o k i and they don't think right. Their minds are all over the place. Mm -hmm. Mm -hmm. Yet here, in, yet here, especially I don't know about d a l t o w n I'm not that c o n c e a y e about you know it, it's here, t here. You. So you get a lot, there's a lot of there's a lot of t i people. God Almighty, they're really, really, really. Not nice people at all. You see, know. where do they have the opportunity where t h e e good? We h e just throw it away. คือพูดย่งนันไม่ได้มันคนทุกชาติทุกภาษามันมีปนกันไปหมดมีทั้ดีทั้งชั่วทุกแข่งทุกคนไปอยู่ที่ไหนอยู่เครื่องก็เจอไม่ใชนานาชาติ People are l l the same. r e s a m e mixed up. Good and bad in every races, every nationality. Everywhere, yeah. So the Buddha said, just avoid the bad people and try to associate with the good people. But we on k a o w i t not r e l t to u People come, we d o t get b e t t e People d o come, we don't get worse. Why c a e c r e about ourselves first. We e n e r the mouth. Okay. Why?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 สีแปละคะสีเทาๆแลงพันแถวนี้เขาเป็นอย่างไรอ๋อพันแถวนี้วันนี้ยังก็ไม่แก็ม า, าแบ้านมีโครงการผสมพันธุ์แล้วปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติมีเป็นร้อยนะมันจะออกมาตอนคืนส่วนใหญ่มันชอาอากาศเย็นฮะเขาเย็นขาเยือเเอาพ่อพันแม่พันมาผสม แล้วพอออกมาลูกมาเขาก็เลี้ยงไวาในท้องระยะหนึ่งก่อนพอเขาโตช่วยตัวเองได้เขาก็ไปให้เขาหากินเองในป่านก็นน่น่ะมันมีหลายขนาดไงมันมีหลายขนาดเลยก็มีใหญ่ก็มีล้วมีหลายพันด้วยนี้มีเก้งมีกวางมีละมั่งอะไรเขามีชื่อต่างกันขนาดตอนคืนยออกมาเยอะทั้งหมดนี่กี่ไร่นะค ประมาณสองพันไร่ทั้งเขาเนะะยทา้งเขาประมาณสองพันไรมันอยู่กี่วันได้กี่วันไดแค่ไดแค่เ็วัน่ทหมดนี่ไดประมาณที่แปดวัเพราะว่าเมื่อเราไทำโรคตดแล้วไดสิบห้วันามไม่รบก็กลุ้ม่อนวอาทิตย์ที่จะเดินทางมาเนี่ยคิดว่าดีไหมที่ที่ดีไหมดีนะสบายมาก อยากจะเรียนถามท่านเพืาอกาว่าถ้เราเดิชมกลต่อ็นคืเนี่ยนะคะรอบล่างจะมีอันตรายไหมก็ไม่เห็นหอไม่น่าจะมีถ้าอยู่ในป่าอันตรายจากสัตว์นี่มันเป็นอันตรายแฝงคือเราคิดไปเองแต่ที่น่ากลัวคืออันตรายคนแต่ถ้าไม่มีคนเราก็ไม่ต้องกังวลสัตว์มันจะไม่เป็นสัตว์ที่จะมามาบวกทำร้ายเราหรอก มันเห็นเรามันจะกลัวหนีเราใช่มากกว่าใช่ค่ะระว่านี้เขาก็้องตาเราาเราขยับเขาก็จะไปใช่ไม่ต้องกังวลถ้าเป็นสัตว์นะคงไม่มีหรอกเพราะมันมันปลอดภัยมันมีเจ้าหน้าที่มีรั้วมีอะไรพวกนีมจะเดินเข้าไปได้นมีกระไดไปเดินไปดูได้มันเป็นกุฏิพระนะมันไม่ไปไม่ได้ข้างล่างเนกระไดเป็นไปเทาใช่นั่นหะเป็นทางนี้มันที่อยู่ของทามห พญาโยมมาได้แค่บริเวณนี้เท่าั้่ข้างล่างนี้อะไรคะต้อ ง, ต, องต้องไปถามป่าไม้เขาเราไม่รู้